ความหนักที่สุดก็คือใจความเบาที่สุดก็คือใจความหยาบที่สุดก็คือใจความละเอียดหรืออัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือใจอยู่ที่ใจนี้ทั้งนัง้นโลกจะเป็นความสงบร่มเย็นหรือเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากน้อยเชียงไรก็ขึ้นอยู่กับใจเพราะใจเป็นผู้ครองละ คลงร่างคลองโลกใจป็คนควรได้รับการอบรมศึกษาไปตามเหตุตามผลซึ่งเป็นแนวทางที่ชอบทำเพื่อจะได้นํานั้นออกแสดงออกมาเพื่อเป็นกิจการงานที่ชอบทำการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการอบรมโดยเหตุโดยผลที่เรียกว่าทำเนียยอบเป็นไปด้วยความราบเรื่นลีงามทุกอย่างไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจนี้ทั้งนั้น ว่าหนักก็หนักมันยกไม่ขึ้นยกใจถ้ายกขึ้นมันก็ควรจะผ่านจะพ้นไปความกองทุกข์ไปทั้งหลายแล้วทั้งหลายไปได้แล้วมีใครก็นอนจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมถึงไม่ยกมันขึ้นนี่ยเพราะมันยกไม่ขึ้นมันทอบอยู่ในทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นนายเราพูดแล้วก็จะพ้นจากกิเลสเนี่ย เราไม่รู้เทําทำให้อยากทำทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นความเดือดร้อนแก่ตนเองแค่ผู้อื่นต่อเนื่องมันเป็นหนักไม่มีที่สิ้นสุดมันยากที่บอกยกของหนักคือจิตใจใยกได้แล้วก็พ้นจากสิ่งที่กดท่วงคือสิ่งที่หนักมากๆนั้น มันเป็นสิ่งที่าาสามชาติเร็วสานั่นออกไปได้โดยลำดับจิตก็ยกขึ้นอ่ายะจะยกใส่ความภาพความเพียรยกใส่สติปัญญาอะไรก็ยกได้ง่ายเพราะเป็นอัดเป็นธรรมไปแล้วอัดธรรมเป็นความละเอียดความเพียรภาพถูกคุมความเพียรภาพมากเมื่อจิตกับธรรมเขาเขามีความเกี่ยวเนื่องกันเข้าไปโดยลําดับแล้วจิตก็ย่อมเบาจะทําอะไรก็ง่ายขึ้นชอว่าความดีความชอบแล้วลในระหว่างที่จิตจมอยู่กับ ควาหนักหน่วงทวงใจนั้นแะมันยกอะไรยากสู้จนอยู่นั้นไม่ได้ในความรู้สึกคือความจมมันมีธรรมชาติที่ให้จมนั้นมันมีน้ําหนักมากกว่ า, วาเที่ยวก็เหมือนกับว่าไอ้แม่เหล็กเศษเหล็กเลอกน้อยก็บินเข้าหาตัวเหล็กหมดตัวแม่เหล็กหมดเพราะนั้นมันมีกำลังมากดึงดูดเพื่อนี่เหล็กทันหาอ า, าวุธก็มีอำนาจ ด, ดึงดูดปิดใจให้เข้าสังจนอยู่ภายในตัวเอง ไม่สามารถที่จะแยกแยกออกได้ท่านจึงต้องเอาสิ่งที่เปผรกักดันออกคือถังถักดันออกจากหล่มลึกคือกิเลส อ, อาสวะที่วาห้วงน้ำต้องพยายามลากพยายามเข็นพยายามต่อสู้โดยถือหลักธรรมเป็นเครื่องมือไม่ลดละ สติก็ใช้ปัญญาก็ใช้ความอุตสาห์พยายามก็หนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลว่าการทําลงไปนี้ไม่ใช่ทําเพื่อความลมจมเราทําเพื่อจะถอดทนถอดถ อ, ดถ อ, ดถอดถนตนออกจากความลุกจากที่รุ่มรึกอันเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากทรมานมาเป็นนาน แม้จะลําปากลําคาเนเพียงไรเราก็จะต้องตะเกียบตะ ก, กายเพราะไม่ต้องการที่จะจมอยู่ในสิ่งสกปรกโสมมขึ้นเป็นกองพลุล้วนๆนั้นแต่พุทธเจ้าท่านก็นต้องทรงคิดอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จ ะ, สะเสด็จสนะหน า, าสมบัติสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายออกทั้งๆที่พิโลกทั้งหลายก็ชอบใจกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถจะทําได้แต่พระองค์ทําไมจึงทําได้เช่นนั้นก็เพราะความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสำคัญ้องพยายามตัด ลูกใครใครจะไมารักเมียใครใครจะไม่รักสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งทีม่มีคุณค่าในหัวใจมนุษย์ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ต้องมีถือว่ามีคุณค่าจิตใจเองต้องมีคุณค่าแต่ไม่อยากจะได้รับความทุกข์ความลําบากในการเสียสละในการประพฤติตนเพื่ อ, ออัดเพื่อทําโดยถือว่าเป็นความลําบากไม่อยากสละจิตใจเพื่อความลําบากเช่นนั้นแต่พระองค์ก็ยังต้องทรงเสียสละ เสียสละจนกระทั่งเหมือนกับว่าโลกวันไหวไปเลยมันเหนียวแน่นขนาดไหนที่เล็นเลยเหมือนกับโลกธาตุวันไห ว, เ, ห ว, ไหวเวลาเสด็จออกไปทรงผนวชแล้วมีใครที่จะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพลินความอดความทนดังประพูดถ่ายจาเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจากทุกเนี่ยทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแจกโลกได้เป็นอย่างดียิ่ง ทักคิดกลางเมื่อสักครู่นี้ว่านั่งชี้เกียรนั่งไปบวชเสียดีนั่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในช่างส้วมในช่างห้องน้ํำนี่ศาสนามาใช่ห้องน้ําห้องส้วมหลุมเทมุดเทคู่บปเทใส่ใส่ของนั้นได้ยังไงอุตุล่วความผ่าความเปลี่ยนความเสียสละควาบวชความทนทั้งเป็นทั้งตายแล้วจะมีใครกเกินพระพุทธเจ้าไปได้น่ะ เนี่ยต้นเหตุที่จะได้ทำอันประเส ร, ริฐเลื่อนโลกมาประกาศสอนโลกทั้งหลายท่านได้มาด้วยวิธีนั้นฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลาดับซึ่งมันสั่งจมมาเป็นานานๆจึงต้องอาศัยความภาคเพียรอยากเต็นกำลังความสามารถขาดดิ้นของเราไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังถ้าถอยลงไปก็ต้องจมหนาไม่ถอยแล้ว ไม่จบค่อยคืบคลานขึ้นมาได้โดยลำดับลำดับ แ, แล้วก็ผ่านพ้นไปหน้าร่างกายของเรานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่พาทําประโยชน์เสียตั้งแต่ในเวลานี้ตายแล้วจึงยุ่งกันโอ้โหยุ่งมหายุ่งทันที้มันดูไม่ได้เนี่ยเรื่องตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยุ่งกันจนหมดทั้งคนทั้งคนเป็นนะยุ่งมากคนตาก็ไม่สู้เท่าไหร่ คนเป็นมายุ่งมากอ ะ, อะไรอะไรมายุ่งกันไปหมดแม้แต่พระตายก็ยังยุ่งมากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ยังเป็นเก็บหมักเก็บดองเอาไว้ไม่สามว่า ก, กี่เรื่องกี่ล่ามาวุ่นวยายรังไลกันมายุ่งด้วยกันโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรเท่าที่ควรเลยมันก็ยังเป็นนี่เพราะหัวใจมนมุษนินมนยมชอบอย่างนั้นเวลายังมีชีวิตอยู่จะสนใจว่าเพื่อปฏิบัติคุณงามความดีให้เกิด จากสกุลกายนี้ก็ไม่พอใจสนใจเวลาตายแล้วจะให้น่างการนี้เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยอะไรถ้าไม่พาทําไปตั้งแต่หั่นนี้ทําให้มันพอแล้วตายแล้วแบบทิ้งเท่านั้นเองเป็นประโยชน์อะไรถ้าเป็นประโยชน์จะมันจะตายไปทไําไหมอันไหนเป็นประโยชน์มันหมดกําลังความสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วมันถึงตายอหายลงไปอันไหนที่เป็นสาระสําคัญ ซ, ซึ่งได้จากการกระทําจาก ทางร่างกายนี้เราก็เอาไปเป็นประโยชน์ของเรานีเชื่อเป็นผู้ม่ประมาทเวลานี้ชีวิตร่างกายองเรากำลังเป็นประโยชน์ทำกิจการทางโลกก็เป็นประโยชน์ทางธรรมก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ซึ่งเรามีความสามารถอยู่ที่จะต้องทำเราก็ต้องได้ทำด้วยความจาเป็นของเราโลกก็ต้องทำงานทางโลกก็ต้องทำเพราะร่างกายจิต ร่างานร่างขานร่างฐ า, า, ง ข, าของเรานี้มีความจำเป็นมีตลอดเวลาอยู่เฉยเฉยไม่ได้อ่าอ ม, มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มปกปิดสักรวรรกายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดยูยาไม่กำหนดกฎเจนว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นสัตว์ก็มม่ก็มีอะไรละ่ะผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็จะมีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็มียยาแก้ไขเขาก็มี เขาก็เป็นสัตว์มาได้แต่มนุษย์แล้วนี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็อ่อนแอมากกว่าสัตว์ไปที่ไหนพลุงพลังเบิกเกินมุงห่มเบิกเกินอยู่เกินกินเตรียงมันไปเต็มที่เต็มฐานครัวแต่จะตายเนี่ยยยุาปลาแป้งแล้วไปหมดดุ้งไปหมดเนี่ยมาพูดอย่างหนึ่งอ่อนแอกว่าสัตว์ก็ได้นี่เราพูดในแง่นนที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราให้ใจของเราอดหานแล้วไม่ไต้องหนิสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทําเป็นความชอบทำแล้วสำหรับมนุษย์ที่ทํำกิจ น, นั้นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ แล้ร่างกายด้วยความต้านทานของเรามันก็ไม่เหมือนสัตว์มันผิดกันมนุษย์เราเกิดมาด้วยวิธีด้วยเหตุนี้ด้วยต่างกันอย่างนี้ก็ต้องทําแบบต่างกันแต่อย่าให้หลงจนเกินเหตุเกินผลจนลืมเนื้อลื ม, ล ม, ลมตัวจนถึงกับว่าหาสาระประโยชน์อะไรไนมะ่ได้จากการกระทํานั้นเลยด้วยความนอนใจนี้เป็นตัวเหตุด้วยความอ่อนแอเป็นตัวสําคัญเป็นเครื่องหนุนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจเลย ยายการกล่าวนี้จึงกล่าวเพื่อทางด้านจิตใจโดยสําเป็นสิ่งสัาผัญมากเพื่อให้ใจนี้ได้สรุ่มตัวให้ตื่นเนื้อตื่นตัวดังพระกรรมาฐานท่านเชื่ออยู่ในตามป่าตามเขายกตัวอย่างเห่นท่านจันมั่นเป็นต้นอยุกดยาท่านไม่ได้ติดเนื้อติดตัวไปเลยเวลาเป็นอา้าวโรคนี้เวลาจะเป็นมันมาจากไหนนี่มันก็เกิดขึ้นภายในร่างกายเป็นเจ็บ่ายปวดหัวก็ตามมันเกิดขึ้นที่นี่เวลาหามเป็นหาอยู่พยายามมาจากที่ไหนเนี่ย มันเกิดที่นี่มันไม่มันก็ดับที่นี่มันมมั น, มนไม่มีความสามารถติดต้านทานกันมันก็ตายที่นี่เกิดกับทานเป็นของคู่กั น, นโรคพาค่าเก็บที่เกิดขึ้นกับดับไปมันก็เป็นของคู่กันมันจะไปไหนนี่อันว่าพวกสัตว์สาราสิงเต็มอยู่ในป่าในเขานี่เขาไม่มีหยุดมี ย, ยาเขาก็มีท่านมีขันเช่นเดียวกันเขาต้องอาจจะมีการเก็บไขยได้ปวยเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ทําไมเขายังไม่สูญพันธุ์ทําไมเรา เป็นกลัวนะักอนะ่อนแอนักท่านฟิตใจของท่านเอาที่สู้สัตยธรรมเป็นธรรมโอสถเป็นเครื่องแก้ไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อันประกอความทุกข์ให้แก่ทุเรงพิจารณาจนกระทั่งถึงทราบเรื่องเหตุ่องผลทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายตลอดโรกภัยไข้เจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติศาสตรเอาเรงว่าโรคภัยมันไม่หายไปก็ตาม เรื่องจิตใจนั้นต้องต้องมีความเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาดต่อวิธีการปฏิบัติตัวตนเองซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นพิเศษผิดกับคนธรรมดาอยู่มากมายนี่ก็เคยได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเช่นเดียวกันเวลาเก็บไข้ได้ปวดมากๆแล้วห้ามไม่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าสมมุติเมื่ออยู่กับหมู่เพื่อนนี่ก็ปิดประตูแล้วบอกทันทีห้ามดังขาดเลยว่าใครจะมาแตะต้องใครจะมาเปิดประตูไปอยงขาดถ้าไม่ ประตูนี้ไม่เปิดห้ามไให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือวันนี้จะต้องพิจารณากันอย่างเป็นภูมิเต็มฐานทีเดีย ว, เ, ยวเพราะว่านี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเก็บไข้ทุกขเวทนาที่เราเคยเกิดเพราะการนั่งพรนาน ม, มาตั้งหลายหายชั่วโมงเรายังสู้ได้ยังพิจารณาแทงทะลุ ป, ปู่ปลงไปได้ได้เหตุได้ผลได้อาจจะทําได้ความเฉลียวฉลาดได้ความศักดิ์ศักสทธิที่สําคัญขึ้นมาภายในจิตใจเราแต่ละครั้งละครั้งไม่เคยพลาดไปเลยแต่นี้เวลาเก็บไข้ได้ป่วยนี้ เราจะปฏิบัติอย่างไะถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราจะปฏิบัติทางไหนไม่มีทางหลีกเลียนได้เพราะร่างกายนี้เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโลคจิตปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาความจริงซึ่งเกิดขึ้นโรคแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นต้องทําให้เกิดทุกเวทนาทุกเวทนานั้นเป็นสัจธรรมเราไม่พิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับเรานี้เราจะพิจารณาอะไรเรากลัวสัจธรรมแล้วก็เท่ากับว่าเรากลัวขีเหล็กเราก็สู้ขี้เหล็กมาได้ ถ้าเราพิจารณาสัจธรรให้เข้าใจแป่ยนแปลงตามเป็จริงแล้วก็ชื่อว่าเรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้ค้นลงไปทีเดียวทุกเกิดขึ้นมาจากไหนเป็นที่ตรงไหนค้นลงไปค้นลงไปหมุนติ้วติ้ ว, วเลยจิจนแม้ทั้งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ็บหนักๆหายออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไป เพราะิปัญญาไลาต่ต้อนเข้าไปโดย ล, ดลําดับไล่ต้อนหาความจริงเจอความจริงที่ตรงไหนทุกเวทนากระจายออกกระจายออกกระจายออกเห็นอย่างชัดเจนภายในใจจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนที่เป็นกองทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไข้นั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแม้แต่ร่างกายที่ปรากฏตัวอยู่ในขณะนั้นพร้อมกับทุกขที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นเหมือนกับว่าจะแยกกันออกก็กลับหายไปอีกทั้งร่างก็กายก็หายไป ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหายไปร่างกายหายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากล้วนล้วนทรงตัวอยู่โดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ทินฟ้าอากาศที่ตรงไหนหายเงียบไม่มีร่างเป็นที่สิงสถิตในความรู้สึกเวลานั้นนั่นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วพอถอนออกมาทำโรคหายไปเลย นี่เรียกว่าปัญญาสติปัญญาพิจารณาสัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วจะไม่ถอนทุกจะไม่ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไรก็สัจธรรมก็เป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างทุกก็เป็นความจริงสมุทัยก็เป็นความจริงสติปัญญาที่เรียกว่ามากก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นความจริจรรงล้นล้วนจิตจะปลอมมาจากที่ไหนทีนดีเมื่อได้นับสติปัญญาเป็นเครื่องสักฟอกให้เห็นเหตุเห็นผลแล้วจิตก็แน่ว ดูตามความจริงของตนนี่ยาหายหมดเรื่องความที่จะคิดถึงอยู่ทุอย่างคิดไม่ได้ไม่คิดคิดไปไหนคิดไปแล้วมันก็ไม่มีอย่าไปคิดให้เสียเวลานะคิดที่ตรงนี้ตรงที่ควรจะให้คิดนี้ทุกเกิดที่ที่ตรงนี้เิจนามากน้อยเกิดที่ตรงนี้การเจ็บป่วยปวดเกิดที่ร่างกายนี้พิจารณาที่ตรงนี้สติปัญญาก็มีอยู่ที่นี่ค้นกันลงที่นี่หนาหัวที่อยู่ที่ลงไปพอได้ ที่แล้วก็ทุกเวทนาหายหมดนี่เรียกว่าไม่เสียผลเสียประโยชน์เรียกว่ารบค่าศึกได้ชัยชนะหากว่าจะตายในเวลานั้นจิตก็ไม่ย่อท้อจิตก็สามารถรับรองตัวได้หรือช่วยตัวเองได้ไม่ให้ทุกเวทนาทั้งหลายเข้ามาครอบงาจิตได้เลย เพราะอำนาจของสติปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสุขคตโต น, นี่ทำให้เบาก็ได้อย่างนี้กิจทำให้ฉลาดก็ได้ทำให้โง่ก็ได้แล้วแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแก้ไขตัวเองอย่างไรจะพาให้จมจมตั้งกับตั้งกันก็จมอยู่ได้ไม่มีวันอิ่มพอในความจมจมในวัฏสะงสารคือความเจ็บเกิดแก่เจ็บตายนี้อิ่มพอที่ไหน ถ้าอิ่มพอแล้วจัดโลกก็ไม่ควรจะบังเพนทำเมื่อมันเกิดตายเกิดตายเกิดความทุกข์ความลำบากตามภพชาติต่างๆนั้นมาพอตัวแล้วมันก็พ้นตัวไปได้เพราะมันอิ่มพอแล้วแต่นี้ไม่มีความอิ่มพอเกิดเท่าไราตายเท่านั้นตายเท่าไราเกิดเท่านั้นเพราะสิ่งที่จะทําให้ภาเกิดก็คือกิเลสกิเลสมีความพอตัวเมื่อไหร่ไม่เคยมีความพอตัวนติตันหาสมานาทีแม่นาม้ามหาสมุทรทะเลหลวงอะไรก็สู้ความอยากของกิเนี้ไม่ได้ความอย่างนี้ ก็คือกิเลสนั่นเองมันมีความพอตัวที่ไหนถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้พอตัวแล้วกี่กลับกี่กันก็ไม่มีหวังไม่มีฝั่งมีแดนพอที่จะปีนขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึิงต้องแก้พยายามแก้พยายามคืบคการพยายามบึกบืนพยายามต่อสู้สลัดปัดออกเพื่อจะพ้นหาฝั่งหาแดนที่เป็นความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับลำดับด้วยศรัทธาความเปลี่ยนมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญ ค้นคิดพิพจารณาเข้าที่นี่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพ้นจากทุกทำไมพ้นที่ไหนพ้นที่กองทุกนี่แหละแต่ถ้าไม่พิจารณากองทุกหักไม่ผลต้องถือกองทุกเป็นหินนับสติปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถรู้ทันกับสัจธรรมเหล่านี้ทุกทั้งหลายจะไม่เป็นภัยตออ่อจิตใจเลยทุกแต่ว่าทุกปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นแม้จะไม่ดับไปก็ตามเพราะอํานาจพิจารณาแห่งสติปัญญาพิจารณารู้รอบคร อ, อบตัวถึงแล้ ว, ว, วทุกระเทศนาจะตั้งอยู่ตามความจริงของตน ไม่สามารถที่จะเข้ามากระเทือนกิตใจได้เลยเพราะปัญญารอบตัวแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ตามความจริงของตนต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันนี่เมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เกิดเรื่องต่อกันไอเรื่องความจริงกับความปลอมที่มันวุ่นกันอยู่นี่ต่วความจำปลอมเข้าแทงหน้าไปเรื่อยๆมันจึงทําให้จิตจมอยู่เรื่อยๆแล้วบนถึงละเกินบนหยักพบความสุขความเจริญ แล้วความสุขความจเจริญมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ผู้ต้องการความสุขความจเจริญมันจมอยู่กับอะไรมันถึงมีความสุขความจเจริญไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เราปรารถนาด้วยกันทั้งโลกเนี่ถ้าเราไม่แก้สาเหตุในจุดนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไปจะปล่อยให้จิตใจพอตัวแล้วพ้นทุกข์ไปเองจะปล่อยให้กิเลสพอตัวแล้วสลัดปัดทิ้งคนปล่อยคนให้เหมือนกขาว่าเขาปล่อยนักโทษจากเรือนจำ น, นี้ไม่มีหวังก็ต้องผูมกมัดกันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ นอกจากจะใช้สติปัญญาพิจารณาดังที่ว่านี้นั่นแหลศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์ผู้ต้องการความหยุดพ้นจากความจองจําทั้งหลายให้พ้นทุกไปได้โดยลําดับๆจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะนํำศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือดําเนินเป็นขั้นๆทีเดียวเพราะกิเลสมีหลายขั้นท่านจึงสอนมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเพื่อประโยชน์อะไร พอจะเสียสละพอจะตัดความตณีเหนียวแน่นซึ่งเป็นกิเลสตัวสําคัญอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของเราตัวนึ่งแล้วจะได้เกิดประโยชน์แก่ ب, ผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่งการให้ทานทานก็แปลว่าการให้ทอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตณีเหนียวแน่นของเราดึงออกจนมันขาดสละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสุขความสบายแล้ว กำจัดความตนหนเหนวแน่นออกได้แล้วก็มีความผาสุกเย็นใจมันมีความเย็นใจได้ทั้งสองลายคือเป็นความสุขความสบายได้ทั้งสองฝ่ายผู้ได้รับการสงเคราะห์เราผู้นั้นก็มีความสุขเราที่เสียสละเราที่ตัดขาดจากาความตนหนเหนวแน่นอันเป็นสิ่งที่กดท่องจิตใจอยู่มากมายนี้ออกได้าเราก็เป็นสุขเนี่ยท่านเพาะสอนในทางปฏิบัตินี่เป็นการปราบกิเลสทางนั้นการทำบาะมีที่พระเจ้าทรงสอนแล้วต้องมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่าง ศีลก็เหมือนการระงับดับกิเลสประเภทหนึ่งอ่อนนั่งกับภาว น, นาภาว น, นานี้เป็นสิ่งที่รวมยอดที่จะฆ่ากิเลสทั้งหลายรวมตัวเข้าไปดังที่เคยสอนแล้วภาวนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลานี้เราพูดเรื่องความจริงไม่ได้ทอดกิเจเรามันเที่ยวตำหนิโน่นตำหนินี้หาความจริงในตัวเองไม่ได้เลย ร่างกายเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นนี้ตัณณ์นิเขาวันยังคำคื อ, อยังลุงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรหากตัณณ์นิอยู่เช่นนั้นเรียกว่าจิตมันตรอมไม่มีความจริงในวเองจึงจะชมสิ่งใดว่าจริงไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปการปฏิบัติจึงควยพิยาควยสอดส่องดูเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายกจิตใจจิตใจมีความปรุงพร้อมแต่งไปอย่างไรบ้างไปทางไรบ้างหนักเบาในทางไหน ให้พิจรารณาจิตของตัวเองแล้วคอยตำหนิติเตียนคอยกําจัดคอยหักห้ามคอยแก้ไขกันทางกระแสจิตร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาความเจ็บใครได้ป่วยประการใดให้พิจารณาลงเป็นสัจธรรมให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปฝืนความจริงอย่าเอาความอยากเข้าไปตั้งในทุกเวทนานั้นๆมันจะทําให้ทุกนั้นกําเริบขึ้นมากมายเพราะความอยากนี้เป็นเรื่องของกิเลส แต่ความต้องการให้รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมให้รู้ด้วยปัญญาพิจิตริจนาะให้เห็นแจงแจ้งชัดเจน แ, แล้วมันจะแยกตัวกันออกเองโดยไม่ต้องสงสัยเนีย่ยศาสน า, า, าท่านสอนให้มีความเข้มแข็งให้ปราบปรามกิเลสซึ่มีอยู่ภายในตัวเองเป็นเครื่องกดทุ่มจิตใจในตลอดเวลานี้ไม่มีอันไหนมีแต่กิเลสล้วนๆมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องกดทุ่มจิตใ จ, จของสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นทุกข์เพราะอะไรเลย ควทุกพอดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทือนจิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี่กระเทือนมากกระเทือนจิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าจิตใจเรามีความถาสุขโดยอัตโนมัติแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้าจิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวายมีความกระเสือกสนกวนกรวายเดออความทะยอทยานด้วยความอยากความมีหัยเป็นเครื่องรางดีจิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมายกับกองมืกองเงินกองทองเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกข์เราควสุขมาจากไหน คือมานั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็จะไปร้องห่มร้องไห้เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายและสำลักษายอยู่บ น, บนกองเงินกองทองนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นตัวโรคอันสาคัญจึงต้องแก้ลงที่ตรงนี้อืความโลภความโกรธความหลงแต่และชนิดทงนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นี้เป็นโรคอันสําคัญที่เกาะ อ, อยู่ภายในจิตใจแล้วเอาจิตใจมาเป็นอาหารหุดลืดจิตใจอ ย, อยู่นั้นวันนั่งค่าคืนยังลุ่งแต่จิตใจ น, นี้ทนมากถึงได้ถูกทรมานด้วยกิเลสประเภทใดๆก็ตามก็ยัง ทนตัวอยู่นั้นนะ่ะเราจรึงได้มองเห็นความวุ่ของเราอยู่ตลอดเวลาลถ้าว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่หนามันคงแล้วจิตนี้แหลกไปนานแล้วไม่มีจิตอยู่ในร่างคนและร่างสัตว์เลยแต่นี้ก็มีเพราะความทนทานของจิตเพราะฉะนั้นสานะสําคัญจึงอยู่ที่จิตต้องต้องพยายามตัดแปลงแก้ไขปราบปรามสิ่งที่เป็นขาศิ ให้จิตของเราได้เบาขึ้นไปโดยาำดัแล้วจะกลายเป็นของเบาขึ้นมาเวลานี้จิตกาลังหนักจะนั่งภาวนาก้อนหนักเกิด ค, ความขี้เกียจชี้ค้านัวเจ็บนั่นปวดนี้ดูเวล่ำเวลาคิดไปได่เดือนปีนาทีวงไปหมอดไปและเหมือนจะเข้าแปงแกงเ่าเหมือนก็จะเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนจะถูกฆ่าถูกประหัรประหารเหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบ่อถ้าจะนั่งภาวนา มันเกิดความทุกข์ความร้อนความลําบากไม่อยากจะทํานี่คือว่ามันหนักมากอ่านี้จิตถ้าจะพาภาวนายกไม่ขึ้นเดิจนจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระภาวนาําระจิตใจให้แต่ให้จากความมุ่งสันไหวมันไม่อยากทํามันหนักอืดอาดหน่อยนายเนี่ยนี่มันหนักอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราพยายามตะเกียกตะกายพยายามบึกบึนหลายครั้งหลายผลเข้าไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมา นั ing, てて่นเรียกว่าทําเข้าแทรกถึงใจโดยลํำดับลํำดับแล้วจิตจะค่อยเบาตัวขึ้นมาเรื่อยทําความเพียนก็คองแก่วแกวกาสติปัญญาก็ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นทีเดียวค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยจะไปใจของเราก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นผ่องใสขึ้นมาโดยลําดับสติปัญญาก็ยิ่งมีความพยันหมัอนเพียนที่จะคิดจะอ่านใจตองความภาคเพียนทุกด้านดีต่างๆกันไปหมดนี่จิตเบาขึ้นมาแล้วเบาขึ้นโดยลำดับลดับจนกระทั่งชนะได้หมด ที่นี่จะเรียกอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตจเจ้าอะไรมาเทียบเทียมจิตนี้ไม่มีเลยเนี่ยที่ว่าเยี่ยมก็เยี่ยมที่สุดดีที่สุดก็คือจิตเรวที่สุดก็คือจิจเมื่อชำระได้แล้วดีที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้อืเป็นแก้วสารพัดนะึกหรือภายในจิตใจมีศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้มีศาสนาเท่านั้น ที่จะฉุดลากเป็นเครื่องมือที่ทันสมยัยฉุดลากหิตใจออกจากหลมลึกของอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายให้พ้นตัวหลุดลอยออกมาได้เป็นลหนับๆนไม่มีสิ่งอื่นใดพุดทธทางสนางคะฉามิผู้ได้ปฏิบัติทาทั้งหลายจนมีความทราบขึ่งภายนธรรมแล้วจึงเข้าถึงใจทามังสนางคะฉามิถึงใจ สองครั้งสนา่งกระชามิถึงใจอยู่ที่ไหน พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ปรากฏว่าสถิตยอยู่ที่ใจนี่เลยถึงใจตลอดเวลาคำว่าพระพุทธเจ้านิ้ผานไปเป็นเวลานานเท่านั้นเท่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยท่านไม่สนใจให้เสียวเวลาเวลาเพราะทำมันแท้จริงคืออะไรพุทธะอันแท้จริงคืออะไรสังขารแท้จริงคืออะไ ร, ร, ค, ออะไรคือทำที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในจิตเราจิดท่านนี้เท่านั้นทำกับใจนี้เป็นฉั้นใด พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นฉันนั้นเท่านั้นท่านจริงไม่คิดให้เสียเวล า, ว, ลาว่าพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปนานแล้วอืแต่ปฏิบัติยังไงก็มาเนี่ยมักได้ผลตามเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงเราไปท่านไม่เป็นอย่างนั้นสันหล่ะท่านผู้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นความรู้อันนี้กับพระพุทธเจ้าเทียบกันได้ทันทีอันนี้ฉันในอันนั้นฉันนั้นขอให้เข้าถึงคา ม, มือสุดเถอะ พุท ธ, ธะของเรากับพุท ธ, ธามคุยวเจ้าจะไม่แยกจากกันเลยฉันในฉันนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพูดให้ให้ยืดยาวยิ่งกว่านั้นเพราะมันเล่มันตะตะคุบเงาเอาตัวจริงก็คือพุท ธ, ธะอันนี้ฉันในพุท ธ, ธางคุยว่เจ้าฉันนั้นพุท ธ, ธะอันนี้จะอันตรธ า, านศูญย์ไปไหมนี่มันรู้อยู่ในตัวแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนั่นก็หมดปัญหาธรรมะแท้จริงคืออะไรมันก็อยู่ที่จานี้เป็นอันเดียวกันหมด พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยหลักธรรมชาติแล้วคือทำทั้งแท่งอยู่ภายในใจของผู้บริสุทธิ์นั้นเท่า น, านั้นผู้นั้นจึงไม่มีความสงสัยแม้แต่น้อยในเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เคยเห็นพระองค์ก็ต่างไม่เคยเห็นพระสงฆ์อรหัตอาหารหันเหล่านั้นที่เป็นสาวกนั้นก็ต่างอันนี้แหละเป็นสักขีพยานให้ทราบชัดว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไร เวลานี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตยอยู่นะที่เช่นไหลแล้วอันนี้ที่เช่นไหลอยู่ในที่เช่นไหลอันนี้รู้รู้อย่างไงวิเศษวิโสอย่างไรบ้างเป็นธรรมชาติอย่างไรบ้างอันนั้นเป็นธรรมชาตินั้นเหมือนกันนี่จึงหาที่สงสัยไม่ได้นี่แหละเข้าถึงพุทธธรรมะสังคาแท้เข้าถึงที่ใหเมื่อกิเลสหลุดลอยไปหมดแล้วมีแต่ธรรมชาติที่อัจฉรยะนี้เท่านั้นอยู่ภายใน จ, จิตใจนี่แหละที่เรียกว่า จิตทําให้ประเสริฐก็ประเสริฐประเสริฐได้อย่างนี้แต่ก่อนที่ยังไม่ประเสริฐก็เรียกว่ามันโง่ที่สุดก็คือจิตตรงนี้ผู้ที่ทําให้โง่นั่นแหละมันถึงได้โง่มันมีสิ่งที่ทําให้โง่ธรรมาชาติที่โง่นั่นแหละมันอยู่บนหัวใจของของเรามันจึงได้โง่อ่านนั้นออกแล้วจะว่าโง่วัชหลาบมันก็ยังมีปัญหาที่จะพูดกันอืรวมอยู่ที่นี่ โลกทั้งโลกจะมีความสงบร่มเย็นก็เพราะใจที่รับการอบรมซึ่งเป็นผู้พาดําเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนร่างกายและส่วนวาจาที่เอียงไปทางไหนก็ดิ้นพิแพงมาไหนสออกมาจากใจผู้วงการวงการถูกหรือผิดอิทธิเลิกรับการรวมอย่างไรบ้างการแสดงออกจะเป็นไปตามความอบรมถ้าไม่ได้อบรมไม่มีเหตุมีผลมีทฤษฎีเต็มหัวใจแล้ว ใจตรงนี้จะพาให้ร้อนมากมายกลายกองยิ่งเมีอำนาจวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งพาคนอื่นให้เดือดร้อนมากมายกลายกองเพราะใจตรงนี้โลกที่ร้อนร้อนเพราะใจตรงนี้พาให้ร้อนใจดวงนี้กระสับกระสายกระสับกระสายหาที่ยึด ท, ที่ถือไม่ได้อะไรก็ว่าจะดีอะไรก็ว่าก็ดีดีใล้เกิดความโลโมโลกโมโทโซไปซะทุก อ, อย่างทุกอย่งางจะกว้านอาโลกมาอยู่ในอำนาจของตัวเองทั้งๆ ท, ที่อ ำ, อำนาจของเราไม่มีเลยมีแต่ความรุ่มร้อนเป็นหัวใจ พอจะเป็นผู้ครองอำนาจในโลกเนี่ยโลกถึงได้ร้อนเพราะเจ้าอำนาจของกิเลสนี้มันเป็นตัวร้อนอยู่ภายในจิตโลกหาความมเย็นไปได้เพราะอำนาจกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากเพราะอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเพราะนั้นจึงควรปฏิบัติธรรมให้มีความเย็นภายในจิตใจของเราถึงโลกจะร้อนก็าตามถ้าใจของเรามีเย็นอยู่แล้วเราก็สบายอยู่ในทรามกลางแห่งความร้อนนี่ขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติปิกานนะให้มีความเข้มแข็ง เอาให้ดีจิตใจไม่มีปัจฉาอย่าลืมพ่อเนี้ยเอาแล้วกันเคยสมมุติกันมานุ่มนานแล้วว่ะตายตายนะเอาให้เห็นความจริงของความตายเอาให้ถึงจิตนั่นอ่ะจิตตายจริงเหรอพอถึงนี้แล้วมันก็หมดลงหนองอ้ออ๋อเป็นอย่างนี้เองถ้าเอาละเองววันนี้มีเอ๋ว <c oughs> <c oughs>